เมื่อเช้าหลวงพ่อก็รับนิมนต์ออกไปแต่เช้ามืดไปฉันที่อุดร์ต่ในงานทำบุญตายของเขาของโยมที่เคยมาทำบุญทำทานกับวัดของพวกเราเนี่ยแหละไปสายกรรมฐานเนี่ยปูบายจย์ทำบุญเกือบทุกวัดเมื่อไม่นานมานี่ก็ประสปปบอุบัติเหตุ เช้าเนะนี่ยในมนไปทำบุญพระเก้าวหกพ่อเลยออกไปแต่ตามไม่จริงก็เป็นห่วงอยู่เป็นห่วงวัดเพราะวันนี้เป็นวันพระญาติโยมคงเข้ามาสมาทานศีลรักษาศีลแล้วก็วันนี้ก็ทราบข่าวว่าหลวงปู่ดวงทำภูคันจ่องนาดวงเนี่ย มลณภาพเมื่อวานนี้่มั้งจะประชุมเพลิงวันที่วันที่หกวันเสาร์ตรงกับวันที่หกอายุแกแล้วจะมีครอบครัวแล้วมาบวชแตผ่ผู้เท่านั้นเป็นผู้ตั้งใจดีนะเป็นผู้ตั้งใจเรื่องการภาวนาหาได้ยากอยู่แบบผู้เท่านะี่เลยไปอยู่กับหลวงปู่เพียนแต่หลวผู้เท่าตั้งใจดีนะตั้งใจปฏิบัติน่านับถือทีเดียวเลยหลวงปู่ดวงนะแต่มรณะภาพ ประชุมเพลิงวันเสาร์ที่จะถึงเน่ยเนี่ยแหละเดี๋ยวก็เผาตงนั้นเดี๋ยวก็เผาตงนี้พระก็ตายให้เห็นโยมก็ตายให้เห็นเนยเราก็ถือว่าเป็นของธรรมดามตามจริงคนที่ตายไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยทุกมากมากไม่มีอะไรที่จะทุกยิ่งกว่าใจจะขาด จะลาจากโลกนี้ไปแต่ในใจกะทุกข์ขนาดไหนก็ไม่อยากจะไปไม่อยากจะหนีจากโลกติดแต่มันอยู่ไม่ได้จะต้องจำใจลาจากเพราะโลกนั้นมันมเป็นโลกพัดพลากจากกันทั้งทางเป็นทางตายปล่อยพระกเหมือนกันท่างก่อ เนลาเหมือนกันจากเหมือนกันไม่มีใครที่จะอยู่โ่ว์ฟ้าดินสลายโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าหกวา่าไม่มีการตายเเลยเกิดมาเท่าไหร่ยังเหลือเท่านั้นโลกนี้คองจอะเหมือนกืออึ่งอ่างที่เ็าจับมาใส่ในข้องในตะกร้านมันจะเต็มไปด้วยคน ก็คงจะอึดอัดเต็มทนเหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นท้าไมตายว่าไงเถอะนี่ว่าศาสนาของพระีอานพระีอริยเมตรไตรที่จะมาตรที่ศาสนาที่หมดยุค ข, ของพระโคตมะคือพระพุทธเจ้าของเราแล้วอายุคนลดลงไปเรื่อยอายุสิบปีเป็นอายุไขอายุสั้นก็คงเช่าอายุหมาเนาะ อายุหมาก็สิบเอ็สบสองปีตายเด้อายุคนเดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆผลในสู ก, กเกิดศึกสงครามคนอายุสั้นใจร้อนราคะโทสะโมหะเข้มข้นว่างั้นจากนั้นก็เกิดศึกสงครามฆ่ากันเห็นกันเหมือนกับสัตว์าลาสิงเห็นกัน ฟันลันแทงกันไม่เลือกน่ะผลที่สุดคนล้มหายตายมากจากนั้นต่อมาเมื่อคนน้อยแล้วคนเห็นกันเกิดความรักเมตตากันชีวิตของคนของคนเลยยืดยาวต่อไปอีกนะตามที่ท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกร้อยปีมนุษย์เพิ่มขึ้นปีหนึ่งร้อยปีมนุษย์เริ่มปีหนึ่งจนถึงอสงไขย อสองไขยเปรวันนับครรนาหาประมาณไม่ได้จะนับเป็นลิตร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็นับจบว่างั้นเถอะถ้าเป็นตัวเลขก็เครื่องคิดเลขมันสุดว่างั้นเถอะไม่รู้จะนับยังไงอีกแต่ที่คนก็เกิดมาในทีอายุยืนเกินไปเบื่อชีวิตของตัวเองมีแต่หิวกับอะไรสองอย่างนะเนี่ยท่านว่าคนในยุคนั้น เลิกการอยู่การกินเนี่ยอุดมสมบูรณ์มีอะไรที่คนต้องการเนี่ยมันทุกของมนุษย์ในยุคนั้นอ่ะอย่างนั้นก็เกิดความประมาทว่าชีวิตตัวเองยาวเกินไปไม่ตายสักทีเนะี่ยมนุษย์ของเราเป็นอย่างนั้นเล้พอในสุดพอมนุษย์เรียกร้องหาความตายร้อยปีมนุษย์เอาอชีวิตของคนลดลงปีหนึ่งมันมันขึ้นไปสุดแต่มันลดลงเลย โลกอันนี้มันอันนี้จังลดลงลดลงลดลงจนถึงอายุแปดหมืนปีเมื่ออยุแปดหมื่นปีพระเสีอรียะเมตรายลงมาตัดนะเมื่ออยุมนุษย์แปดหมืนปีมาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกอายุห้าพันปีเป็นหนุ่มเป็นสาวดูดูแล้ว น่าสงสารพ่อแม่ยุคสมัยนั้นน่ะกว่าจะเลี้ยงเด็กได้ก็คงหลายร้อยปีถึงจะเป็นผู้ใหญ่แต่ขนาดพวกเราเลี้ยงปีสองสามปีก็ยังพ่อแรงเลี้ยงเด็กอันนั้นถ้าเลี้ยงเป็นหร้อยปีนะจึงจะเป็นอายุห้าพันปีเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คงเจ็ดเป็นหลายร้อยปีแล้วงั้นเพราคนอายุยืน <c oughs> นี่แหละอันนี้ก็คือวัตจักรวัตบนเป็นยุคเป็นสมัย เป็นไปได้ถ้าเราว่าเป็นไปไม่ได้เราก็ดูชีวิตของสัตว์สิแต่สัตว์แท้ๆอย่างอายุยืนไม่เหมือนกันเต่านั่อายุยืนช้างอายุยืนคนก็มีอายุไขทุกวันนีปเจ็สบปดสิบปีเจ็ดสิบปีกว่าเจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไขบัวควายนปยี่สิบปีหมดอายุแล้วหมดสภาพแล้ว หมูหมาเป็ดไก่อายุสั้นเข้ามาสี่ห้าหกปีก็หมดอายุหมาเนี่ยอย่างมากกับสิบเอ็ดสิบสองปีเป็นอย่างมากก็เป็นอายุไขของมันอายุเจ็ดแปดปีเนี่เขี้ยวหล่นเลือกหมาแห <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นชีวิตการเป็นอยู่ของสัตว์ตะวโลกทั้งหลายมันไม่เหมือนกันแต่ว่าถึงยังไงถึงจะยืนเนื้ อ, อายุสั้นสรุปแล้วก็คือตายด้วยกันหมดทุกคนน่ะ ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระหันท่านมองดูแล้วสัตวโลกทั้งหลายนี่ไม่มีอะไรที่จะสีวิไลที่จะนำความสุขมาให้ท่านก็ถามตั้งคำถามขึ้นมาว่าความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั้นคืออะไรพวกเราหาม้ลย ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั่นคืออะไรของคนในโลกนี้นคืออะไรถ้าวันใดเงินมีความสุขก็ไม่ใช่พอมีเงินมาโกคนฆ่าตัวเองตายไปเยอะแยะ ม, มีว่ามีครอบมีครัวมีสามีพันยาเป็นที่พอใจก็ไม่ใช่สรุปแล้วก็คือความสุขของมนุษย์ที่พูดแบบรวบรัดได้ก็คือว่าความพอใจ ความสุขมนุษย์ที่แท้จริงนั่นคือความพอใจความพอใจนั่นก็นชั่วขนาดเนี้ยไม่ใช่ว่าตลอดไปอีกพอใจวันนี้วันพรุ่งนี้อาจจะไม่พอใจทุกข์อีกแล้วทุกข์ใจอีกแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์เนี่ยหาความสุขไม่ได้สรุปแล้วสรุปแบบรวบรักสุขกับสุขแบบนิดๆหน่นอยๆ น, นั่นแนหะพอใจ โฉคร่างชัวคราวจากนั้นกับความทุกข์เข้ามาทดแทนอีกเพราะนั้นท่านจึงให้ค้นหาให้ค้นหาความทุกข์ให้ค้นหาความสุขมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากใจความสุขมันเกิดเป็นเพ่งหรือว่ามันออกมาจากจุดนั้นแ่ะมีจุดมีต่อมนั่นแหละคือผู้รู้นั่น ตัวพบตัวชาติมันเกิดมาจากนั่นความทุกข์ความทั้งหลายมันตามมาจากจุดนั่นเพราะนั้นท่านจึงให้กําหนดถ้าว่าเป็นเถาวันก็แค่คคว่าลากจากไปมันมาเข้ามาหาโกนของมันเข้ามาหาเงาของมันให้กระตุกจากไปนั้นตามเข้ามาตามเข้ามา อันนี้ก็เหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนนืว่าเราศึกษาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ให้พิจานณาตาหูจมูกลิ้นกายใจตาไปเห็นลูกเกิดความรักเกิดความชังเกิดความดีใจเกิดความพอใจเกิดความไม่ดีใจไม่เสียใจ เหมือนกับเราเห็นบางสิ่งบางอย่างผ่านไปเราก็ไม่ดีใจเราก็ไม่เสียใจเหมือนกับเห็นต้นเสาเห็นต้นไม้ไม่ดีใจไม่เสียใจบางทีไปเห็นเกิดความรักบางทีเห็นไม่พอใจบางทีเห็นพอใจอันนี้คือตาเห็นโูกเห็นคู่เห็นคนเห็นจัดสาราสิงก็เหมือนกันหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นในลิ้มรส ร่างกายสัมผัสเยนร้อนอ่อนแข็งมีความพอใจไม่พอใจอันนี้ก็คือกิเลสหรือว่าทางออกของของใจมันไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนั้นเป็นทางเดินและเป็นทางหากินของทางออกของใจทีนี้เมื่อเราใช้ธรรมะ เข้ามาดูเมื่อตาเห็นลูกเป็นยังไงหูได้ยินเสียงเป็นยังไงแต่นีพอค้นเขามามาหาใจมาหาหลักใจถึงตัดมันออกไอ้ข้าวะรู้เท่าทันทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายมันไม่มีทางออกรู้มันทางมาแล้วมันจะออกไปเรารู้แล้วว่านี่คือใจมันจะออกไปอารมณ์มันจะออกไปทางนั้นเดี๋ยวเราปิดทั้งหมด ปิดธรรมโอนมีจะมันจะอยู่ในใจนะบัดนั่นหละทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในใจบดเราจะใช้ธรรมะประเภทไหนเข้าไปปรปับปรุงแก้ไขเราจะใช้ธรรมะประเภทไหนที่จะไปเข้าไปถล่มจุดนั้นให้ได้แต่ธรรมะที่พระพุทธเจา้าครูบาอาจารย์ท่านหยิบยืนให้ก็คือธรรมะอนัตตานะั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นสัพเพสังาราอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ก็คือหลักใหญ่ในการกำหนดพิจารณารู ป, ปธรรมนามธรรมอันนี้สำหรับพวกญาติโยมหรือว่าพวกพระที่มาใหม่ เรียว่าพูดที่ตั้งต้นใหม่ถ้าพูดอย่างนี้ก็งงเหมือนไก่ตาแตกนั่นแ่ะเพราะเรายังไม่เคยได้ภาวนาไม่เคยได้ฝึกแต่ถ้าว่าผูดด้ใดเคยฝึกทางจิตตภาวนามาก่อนแล้วฟังพูดอย่างนี้ก็จะเข้าใจทันทีอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าว่าผู้ไม่เคยศึกษามาก่อนพอพูดอย่างนี้คือมาตีไม่ออกเพราะงั้นแ ต, แต่ถึงยังไงก็ฟังเอาไว้ ต้องอาศัยฟังหลายครั้งต่อหลายหนเดี๋ยวมันจะเข้าใจไปเรื่อยๆอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังเสเลยก็ไม่ได้ศึกษาก็คงจะไม่เข้าใจนะเรื่องเนี้พระธรรมปฏิบัติเนี่ยมันพูดถึงเรื่องวิถีทางเดินของใจเท่านั้นนะใจมันเดินออกไปทางไหน ใจก็คือน้ามา ร, รมคือผู้รู้ันออกไปทางอาศัยกายเป็นเครื่องมือในการเดินในการออกสรุปแล้วก็คือเป็นประตูหน้าต่างของของใจร่างกายเนี่ยคือบ้านหลังหนึ่งนะั้นแล้วมีประตูอยู่4ีห้าช่องใจก็อยู่ทางนั่นกับออกสองทางตาสองทางหูกระโดดออกทางจมกูก วิ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีขนาดหลับแล้วมันก็นยังเอือรแล้วเหยอลอยลมเข้ามาอีกฝันไปอีกถ้าพอตื่นขึ้นมาเนคันนั้นละ่ะมันก็วิ่งออกอีกสองหน้าต่างอยู่ทั้งวันเลยถ้าเรามีสติถ้าเรามีสมาธิกำหนดดูแล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยใจของเราในะยุ่งกว่าหลุดกลิกยิ่งกว่าลิงไปซะอีก ถ้าเรามองถ้าเราเห็นนะนะ ใ, ให้พวกเราดูนะั่นในตัวนี้แหละตัวที่จะก่อพบก่อชาติเกิดมาพบน้อยพบใหญ่ต่างๆอีใจนี่แหละไม่ไมีไม่ใช่อื่นไกลละวัดต้วนมันวนไปวนมาอย่างนี้นเหี่ยวบายใต้เกิดสูงสูงต่ำๆ่ำรุ่มรุมรอนๆอนเกิดขึ้นมาแล้วก็เสียอกเสียใจบาง เกิดมาชาติหนึ่งบางทีก็ผิดหวังบางบางทีก็สมหวังบ้างบางทีก็สมหวังบ้างผิดหวังบ้างอยู่ในพบชาติหนึ่งหนึ่งสรุปแล้วก็คือไม่มีใครสมหวังสักคนออกในโลกนี้เกิดมาแล้วเมีทางเดียวที่จะให้สมหวังก็คือพยายามชำระใจให้หมดจดจากกิเลสราคะโทสะโมหะจุดนั้นแหละเป็นจุดที่จะสมหวังถ้าชำระได้หมดจดแล้วก็นั่นแหละ ไม่มาเวียนไหวาตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี่เป็นมหาเศรษฐีเต็มที่เลยบ่านีลยแต่นอกจากนั้นแล้วอย่าไปหวังเลยว่าจะมีความสุขมีความสุขกับความทุกข์คอยหน้าอยู่แล้วจะเป็นสวรรค์ชั้นพรมที่ไหนก็เถอะ เ, เมื่อเกิดขึ้นมาก็มีความสุขเนหะสวรรค์แต่พอจากลงมากันนะั่นล่ะพุกละ่ะไม่อยากจะลงมานะนมนุษย์ก็เหมือนกั น, นยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนะนก่อนที่ว่าจะให้ได้ป่วยจะล้มหายตายจากนะมีความพุกมากๆน้ําตาหนองหน้าแต่คนที่ไม่ตายคนที่เป็นญาติพี่น้องกอ็ไม่อยากจะให้ล้มหายตายจาก อคนที่ตายก็ไปก็น้ำตานองหน้าเหมืนกันไม่อยากจะจากลูกจากหลานจากสามีพันยาไปแต่ทำยังไงได้มนุษย์มันเป็นอย่างนั้นแ่ะโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นโลกอันนี้มันโลกไม่สมหวังโลกผิดหวังอยู่ตลอดจะให้มันได้สมหวังสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนานะมันยากแล้วก็ผิดหวังอยู่เรื่อยๆนะ นั้นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกทั้งหลายท่านมองดูแล้วพิกดูแล้วถูกทุกข์กบียดนี่วแล้วในโล ก, กนี้หาความอยู่เย็นเป็นชุกไม่ได้ท่านจึงยอมแพ้ยกมือลาก่อนลาก่อนว่างั้นจากท่านท่านก่อนไม่มาเกิดในโล ก, กวัะสขสารนี้อีกต่อไป ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้พิจารณาดูอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังจริงอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้หลวงพ่อเอานํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์มาพูดขยายให้พวกเราได้รู้ให้ได้สําเนียบเป็นแนวความคิดจะได้ปรับปรุงแก้ไขใจของเราอย่าให้มันติดในโลกนี้จนเกินไปบางคนมองโลกเหมือนกับสวรรค์บิมานเล เพราะความหลงแต่ที่แท้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเจือด้วยยาพิษ ต, ตั้งเยอะแยะไปมันเจื อ, จอรึก อ, อาวุธยุดโทรอปกรณ์อยู่ในนั้นเหมือนกับเบ็ดว่ามันมีเหยื่อแต่ตามที่จริงมันตัวพิษร้ายอยู่นั่นคือเบ็ดแต่ยมันเกาะเกี่ยวเข้าไปนะมันไม่คุ้มค่ากับเหยื่อจบนั้นเลยกินเหยื่อ ติดหน่อยเดียวเองมีความสุขหน่อยเดียวเองเหยื่อแต่ว่าความทุกข์ที่มันเดี่ยวเข้าไปเกาะในท้องเกาะในไส้เกาะในปากมันไม่คุ้มกันเลยว่างั้นเถอะอันนี้ก็เหมือนกันเรามาเกิดในโลกวัะสงสารนันเราก็คิดว่ามันสุขแต่ที่แท้ความทุกข์เนี่ยมันมาหาศารเลยมาหาศารจริงๆเราพิจารณาดูสิ ความพอใจไหมความไม่พอใจความพัดผ่าคล่างกายสังขารทุกพลละผาาเจ็บไข้ได้ป่วยหนุกเต่าล้านเลนจะมีพัญญาผู้เกี่ยวของทางหลายดินฟ้าอากาศมันล้วนแล้วแต่หามีแต่เรื่องทุกทางนั้นถ้าเรามองนะมองให้เป็นทุกนะนีะ่การปฏิบัติการเพียาราต้องมองเห็นทุกทุกขัง อ่าอันนี้จังของไม่เที่ยงทุกขังสิงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกอย่างะเมื่อเป็นทุกมันก็เป็นของที่ไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกในเมื่อมันเป็นทุกจ ะ, จะเป็นตัวตนของเราได้ยังไงเราก็ไม่ยอมรับเราจะไปรับว่าเป็นของเราได้ไงใครจะยอมรับกองไฟเข้ามาหาตัวเองมันร้อนไม่เอาจากนั้นท่านให้ปล่อยวาง ถ้าปล่อยวางด้วยมหาสติด้วยมหาปัญญาแล้วนัน่นละ่บมมะบอลมัสุขจะเกิดขึ้นปล่อยวางแบบโง่โง่เซ่อเ ซ, ซ่ไม่ได้นะ ย, ยิ่งทุกข์เข้ามาอีกคืออย่างที่เขาเห็นทุกข์แล้วฆ่าตัวเองตายอย่างนี้ อ, อันนี้ไม่ได้มันไม่เห็นด้วยปัญญาเลย เห็นด้วยความไม่รอบคอบอันนี้ไม่ใช่อริยมรรคของพระพุทธเจ้าอริยมรรคมรรคของพระพุทธเจ้าคือหอนทางที่พ้นทุกข์เห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยความภาคเพียนมองทะลุปุโปร่งไปหมดแล้วก็ปล่อยวางที่ใจไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นนะปล่อยวางที่ใจปรับปุงที่ใจปล่อยวางที่กใจแก่ที่ใจหลุดพ้นที่ใจเพราะว่าใจเนี่ยเป็น นักท่องเที่ยววัตวนก็ใช่นักท่องเที่ยวก็ใช่เที่ยวพบน้อยพบใหญ่ไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติไม่รู้ว่ากี่ออย่างที่เราเกิดมาในวัฏสงสารนั้นคนนั้นถ้าทํามันจบได้เร็วๆนะั้นยิ่งดีนะอย้ามันจบๆไปเลยอย่ามาเวียนไหวาตายเกิดอีกวิธีการก็คืออย่างที่หลวงพ่อสอนมาพอแลนะ้วนั่นแหละทำ ฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านสอนวิธีการที่จะทําให้สั้นกันเนี่ยมีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยภาวนาเนี่ยสำคัญทำไมจะมีทานมีศีนด้วยทําทานถ้าคนไม่มีทานไม่มีศีนจิตใจมันหยาบกระด้างมันแข็งกระด้างมันไม่อ่อนน้อมมันไม่มีเมตตาเพราะนั้นจึงสอนให้มีทานมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายการอยู่ร่วมกัน มีเมตตาศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยจากนั้นมีทานมีศีลของภาวนาจิตใจก็เข้าสู่ความสงบงเมื่อจิตใจสงบกับพิจารณาทางด้านปัญญาการู้แจ้งเห็นจริงไดง่ายมันเป็นขั้นตอนในการเดินทางปุก ป, ปับเราจะไปขึ้นยอดเลยมันก็ไม่ได้เราทาไมไปหานเดินเกาะทำไมโคมันทำไมไม่กระโดดขึ้นยอดเลย แต่ตามไม่จริงขึ้นยอดได้มันก็ดีแต่มันขึ้นไม่ได้เมื่อต้องเกาะขึ้นไปตามโคนซะก่อนไหลไปเรื่อยๆผลที่สุดก็เออมันก็เกี่ยวเนื่องกันเหมือนกับต้นไม้นะเราจะเอาแก่นมันปลูกเอาแก่นมันทีเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องเอาเม็ดมันปลูกพอปลูกขึ้นมาก็เป็นต้นพอต้นขึ้นมามันก็ต้องมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้ไม่ค่อยมีแก่นอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ ธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองมีทานมีศรรมีลมีภาวนาแ ต, ต่ต้องการจริงๆก็คือภาวนานจะทําให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสจุดนั้นเป็นจุดใหญ่ในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าพระหันสาวกท่านเน้นจุดนั้ น, นจะทํำยังไงถึงจะถอดถอนอุปทานการยึดมันม่นถือมั่นออกจากจิตจากใจได้นะต่อเ น, นี้ไปก็ฟังเทปขององค์หลวงตาต่อนะ เอานั่งสมาธิ